พรามขี้เกียจ<ม>กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพรามคนหนึ่งในหมู่บ้าน<ม>เขาอยู่ที่เน่นกับภรรยาและลูกสองคน<ม>พรามคนนี้ใช้ชีวิตต่างจากคนอื่นทุกเช้าเขาจะตื่นขึ้นมาอาบน้ำที่แองแล้วก็กลับมาที่บ้านกินอาหารและเข้านอนพรามมีทุกอย่างในชีวิต มีฟาร์มใหญ่เขาปลูกผลไม้กับผักมากมายเขามีนิสัยที่ไม่ดีเขานอนขี้เกียจมากและครอบครัวของเขาก็เป็นห่วงเขาที่เขาไม่ทำงานและยังนอนทั้งวันนี่จะนอนไปตลอดอย่างนี้เหรอไี่ตื่นได้แล้วนะไม่ต้องทำฟาร์มได้ไงเดี๋ยวเสียผลผลิตกันหมดนะ แต่ไม่ว да, ่ายังไงก็ปลุกเขาไม่ได้เขาลืมตาขึ้นมาแล้วยิ้มแล้วกลับไปนอนเหมือนเดิมพยายามปลุกเขาไปก็เท่านั้นน่ะฉันจะไปที่ฟาร์มแล้วไปดูว่าทุกอย่างน่ะปกติดีไหมหลังจากนั้นเด็กๆก็เริ่มเสียงดังในบ้าน จึงทำให้พราหม์ตื่นแล้วไปเล่นกับเด็กๆภรรยาของพราหม์กลับมาจากฟาร์มและเจอกับปราชเข้าเธอเชิญปราดกลับมาที่บ้านเพื่อมาทานอาหารด้วยท่านคะฉันไม่ได้เจอท่านนานมากๆแล้วไปที่บ้านกันนะคะฉันจะถวายอาหารให้คะ่ะใจดีจริงๆใ จ, จดีจริงๆ ขอให้เจริญเจริญนะไปเถอะเมื่อภรยาเดินกลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นว่าอ้พระเจ้าดีนะที่เขาตื่นแล้วดูสิใครมาบ้านเรานะทันทีที่พรามเห็นกูรูเขาก็รีบออกไปต้อนรับสามีกับภรยารับใช้กูรูอย่างดีพวกเขาเสิร์ฟอาหารหลังจากกินเสร็จ พราหม์ก็นั่งลงและนวดเท้าให้กับกูรูกูรูพอใจกับการต้อนรับมากเขาก็เลยบอกให้ทุกคนขอพรจงบอกมาว่าต้องการอะไรฉันจะให้พรกับนายปราดครับผมอยากจะได้อย่างหนึง่งคือผมไม่อยากจะทํางานอีกผมอยากจะให้งานของผมบรรเสร็จอย่างรวดเร็วทุกวันได้ ฉันจะให้ความหวังของนายเป็นจริงแต่จำเอาไว้นะเขาจะต้องไม่ว่างจะให้เขาอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่ได้ได้เลยท่านผมจะจำเอาไว้หลังจากที่ได้พรแล้วกูรูก็จากไปและเมื่อเขาจากไปก็มีสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมา นายท่านได้โปรดสังข่ามาได้เลยจะให้ข้าทำอะไรให้ท่านโอเคเอางี้ไปรดน้ำต้นไม้ในฟาร์มของฉันแล้วสัตว์ประหลาดก็หายไปทันทีพลามโล่งใจมากเพราะว่าเขาไม่ต้องทำงานอีกแล้วหลังจากนั้นก็มีสัตว์ประหลาดโผล่มาอีก นายท่านงานเรียบร้อยแล้วจะให้ข้าทาอะไรอีกของานด้วยนี่อะไรนะนายเพิ่งรดน้ำต้นไม้เสร็จนี่มันเร็วมากเลยนะมีงานอะไรอีกนะโปรดให้งานข้าด้วยนายท่านไม่งั้นข้าจะกินท่านแน่นอนพรามเริ่มกลัวเขาจึงตัดสินใจให้งานใหม่ กับสัตว์ประหลาดทันทีงั้นไปเร็วไปพรวนดินให้หมดเลยได้นายท่านข้าจะทำตามแล้วรีบมาเมื่อสัตว์ประหลาดไปพรามก็เลิงอกและเริ่มคิดว่าการพรวนดินนะ่ะมันใช้เวลาเยอะเรานะจะต้องกลับไปแล้วกินอาหารซนหน่อยหนึ่งจากนั้น ทำนั่งลงกับเมียและลูกๆเพื่อทานอาหารแตสัตว์ประลาดก็โผล่กลับมาอีกเอ๊ะ น, นี่กลับมาแล้วเหรอพลนินหมดแล้วอย่างนั้นเหรอใช่นายทันจะให้ข้าทําอะไรอีกของานให้ข้าดูงานงานงานแล้วก็งานจะให้งานอะไรอีกละ่ะเออขึ้นมามาเล่นกับหัวข้านี่มาทัานใดที่พรามพูดแบบนั้น สัตว์ประหลาดก็เริ่มทำตามคำสั่งโอ้บ้าไปแล้วใครก็ได้หยุดเขาทีเดี๋ยวหัวฉันจะหลุดแน่ฉันฉันจะทำยังไงดีเนี่ยจะทำยังไงดีกาจัดเขาทีได้โปรดถ้าคุณอยากจะให้ฉันกำจัดเขาแล้วก็ฉันช่วยได้นะแต่คุณจะต้องสัญญาอะไรกับฉันมา ก, ก่อนได้บอกมาเลยฉันจะทำยังไงดีหัวฉันจะระเบิดอยู่แล้ว จากนี้คุณต้องทำงานด้วยตัวเองโ อ, โ, อโอเคได้ฉันยอมอช่วยฉันทีได้โปรดช่วยฉันทีฟังนะเอาอย่างนี้เลิกเล่นกับหัวของเขาหมาของเราโมตีนะ่ะหางหดไปทำให้มันตรงทีสิได้เลยนายท่านข้าจะทำให้นางเห็นสามีเป็นแบบนั้นเลยหัวเราะ เห็นหั้มฉันเตือนคุณมาตลอดว่าวันหนึ่งคุณจะต้องชดใช้ที่คุณขี้เกียจตอนนี้คุณเห็นหรือยังก็ได้ก็ได้ฉันน่ะสมควรโดนแบบนี้แล้วแต่ถ้ามันทาให้หมาของเราหางตรงแล้วกลับมาจะทำยังไงกันละ่ะพูดอะไรของคุณนะ่ะมีใครเคยทำให้หมาหางตรงได้อย่างนั้นเหรอเชื่อเธอเลยต่อให้ใช้เวลาทั้งวันเขาก็ทำไม่ได้ไม่มีทางเด็ดขาดนะ่ะ เธอน่ยช่วยฉันไว้จริงๆและหลังจากนี้ฉันจะทำงานเองโอเคนะมีอะไรจ้ะหัวเราะทำไมกันเหรอเปล่าครับพวกเราแค่หัวเราะให้กับพรามขี้เกียจ ใช่รู้แล้วนะว่าผลของการที่ไม่ได้ทำงานเองมันเป็นยังไงนะจ๊ะบอกมาสิว่าทุกคนน่ะจะทำการบ้านเองหรือเปล่าหรือว่าจะขอพรให้ใครคนอื่นมาทำให้จ๊ะว่ายังไงล่ะไม่มีทาง